พระธรรมเทศนาแผ่นที่สี่สิบเกาลำดับที่สิบหกโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบสี่เมษายนสอง5ันห้า้อห้าสิบห้ามีชื่อเรื่องว่าใครมีเพื่อนมากกว่ากัน อาหารที่หลวงพ่อเก็บไว้เนี่ยแบ่งไว้ให้ลิงด้วยพวกกล้วยบ้างพวกแต้งโม่บ้างอะไรที่ลิงจะกินได้หลวงพ่อก็คิดถึงลิงเหมือนกันนะเพราะว่าดูดูแล้วบางครั้งมันอดอาหารเหมือนมันจะไม่มีขนจะ้ลย้ำไปนะขนข น, ขนหลดเหมือนกนเราะนั้นหลวงพ่อได้เวลาพระรวยลิงก็ต้องรวยรวยด้วยเหมือนกน เวลาพระรวยเนะี่ยต้องแบ่งให้ลิงด้วยลิงก็ต้องรวยด้วยลิงของหลวงพ่อมีอยู่มีอยู่สามกลุ่มนะสามกลุ่มใหญ่ลิงลิงมันอยู่สามกลุ่มใหญ่ถ้าวันไหนมันโคจรมาพบกันว่งั้นนะทั้งที่มันจะประสานสมคีอะไร มีความอะไรปองรองกันเนะี่ยทั้งที่มันจะปองรองกันเพราะฉั้นเธอลิงสามกลุ่มเนะี่ยทั้งที่มันจะปองรองกันพอไหมเห็นกันแนละ้วหญิงเขี้ยวใส่กันบนะัด <c oughs> ลิงสามลิงสามกลุ่มเนะี่ยฮัดหญิงเขี้ยวใส่กันอเนะแต่หัวหน้ามันฉลาดนะหัวหน้าใหญ่ไอหัวหน้ามันจะมีแต่ละกลุ่มจะมีหัวหน้าหัวหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้จักว่าตัวไหนเป็นหัวหน้ามั้ย เรามองเลยก็รู้ได้เลยหางมันจะกระดกขึ้นข้างหลังงอนอยู่อย่างเงี้ย เ, นะ เ, เดินวางหมาดเออเดินวางหมาดไ่้ตัวนั้นเราหัวหน้าวะงนะั้นแหละเออแต่ตัวอื่นหางตกหมดเนะี่ยถึงจะเป็นตัวใหญ่กว่าหางตกวนะ่างั้นไอ้ตัวหัวหน้าเนะี่ยแปลว่ายาฝูงเนะี่ยยกขึ้นมานเดินแบบผึ่งพลายวนะ่างั้นะหางก็งอนเนะี่ยเวลามันจะไปเชิญหน้ากันเนะ่ะมันทั้งที่มันจะปองรองกันอย่าที่ว่าเนะี่ยสามกลุ่ม มันหัวหน้าไปอยู่ข้างหลังนะมันขู่ให้ลูกน้องนี่ไปสู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เลยกอก็กอกเออไอ้ตัวเองอยู่ข้างหลังเหมือนกันแตอให้ลูกน้องลูกน้องก็ทำท่าวิ่งเข้าไปหากันแต่ก็วิ่งออกมาลูกน้องก็กลัวเจ็บมันกันใช่ไหมล่ะเออวิ่งเข้าไปแต่ก็วิ่งออกมาพอเรื่อยเกิดเหนื่อยเลยก็หัวหน้าขู่ไม่ไปไม่มากับต่างคนกัต่างล่าถอยกันเลิกกันเหมือนกัะเออ มันคงจะปองรองกันไม่ได้แล้วดูๆแล้ลิงสามกลุ่มในวัดของหลวงพอนะ่อนี่นี่แหละวันนั้นหลวงพ่อเห็นอยู่แถวหน้าวัดมันรู้สึกโอ้มันก็หิวอาหารไม่ค่อยมีทางโน้นแต่ทางหลังนี่มันมีพวกต้นไทรมันมีต้นไม้มากอยู่ที่มันกว้างนะหลวงพ่อก็เอาไปให้ทางหน้าวัดให้พวกหน้าวัดอาหารประมาณสัก ลิงกลุ่มนั้นก็ประมาณจะเกือบสองร้อยเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะถ้ามันมาเต็มฝูงของมันแต่ตามไม่จริงก็ลิงในวัดของเราในี่เยอะจับไปปล่อยที่อื่นก็มีตะก่อนลิงแถบนี้มันหมดนะคือชาวบ้านเขายิงเอามาเป็นอาหารหมดมันไม่เลือกกระทั่งลิงเนีกินหมดจะได้มันก็หมดนลิงในถิ่นี่ตะกอนภูกรู้เยอะ ตอมาก็หมดอย่างที่ว่านพอหลวงพ่อเฉลีไปสร้างวัดหลวงพ่อก็ลิงหลวงพ่อมันเยอะทีนี้หลวงพ่อก็ถามว่าหลวงพ่อเฉลี่ะจะเอาลิงไหมวะเดี๋ยวจะเอามาปล่อยให้ว่ะท่านก็เฉยเยอยงนินลิงอยู่ที่วัดผมเยอะนะเอามาปล่อยเอานะท่านก็เฉยหลวงพ่อกัน มีลิงอยู่ในวัดมีสัตว์อยู่ในวัดมันก็นดีนะดูๆแล้วไปที่ไหนเหมือนกับ น, นั่นเหมือนกับเมืองเพชรบุรีเนะ่ะไปที่ไหนเห็นแต่ลิงโย่เยะไปผลก็ดีเหมือนกันน่ะ่ท่านก็ไม่พูดอะไรหลวงพ่อก็ขนไปให้แล้วบัตรขนไปฟูขาวนั้นมันเกือบแปดสิบตัวเลยนะขนไปเหมือนกันเลขนไปขนไปขนพ่อโอ้โหมันพอหมูดิมันรื้อได้แต่เนี้ยเคื่อนไปแถวเจดีน่ะไอ พวกต้นวัดธนาต้นอะไรเน af, ี่ยต้นประดับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเลีงไปแกะกินยอดมันมดบวานนี่เออหลวงพ่อจะรียวโวยวายแลยโอ้ยเอาไม้ได้พอพอพอพอพอโอ้หลวงพ่อโคดไปนีงเกือบร้อยตัวแล้วเงี้ยเดี harms, ๋ยวนี <RX S 2> <rand> ้ก็ยังยัวเยี่ยยอยู่นะเพราะว่าคนฆ่าคนยิงมันไม่ได้มันก็เลยอยู่ที่นั่นแหละเดี๋ยวนี้ยัวเยี่อยู่แถวนั่นแหละอที่วัดป่าภูก้อนน่ะแต่ ผู้บาผู้ก้อนน่ยฉลาดเลยทำไมจะว่าฉลาดโยผู้ก้อนมันขึ้นไปแกะกระเบื้องท่านท่านก็เอาลวดเอาลวดไปใส่ข้างบนอลวดแบบที่มันช็อตวูวเขานะที่การถนนพอลิงขึ้นไปนก็ท่านก็เอาไฟฟ้าใส่ใส่ในลวดลิงมันไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะ ลิงนี่ยมันโง่กว่าคนีช่ไหมมันไปเห็นมันไปจับลวดอย่างนี่เลยไปจับลวดไฟช็อตมันโอ้โ ห, โหโขี้ตาขี้แตกขี่ลาดถแถวหลังคาจากนั้นพอเข็ดเลยงนะันไม่ขึ้นบนหลังคาสาลาเลยแต่แต่วัดของเราเนะี่ยไม่มีคูบาทําได้อย่างนั้นบางทีนี่ยที่ลังคาของหลวงพ่อเนยะมันขึ้นมันขึ้นเก่งแนะนะ่น่อขึ้นนะบางทีพระมาอยู่ขึ้นทางหลังสารานะ ขึ้นมาไปลือกะเบื้องลงมานะ่ะแผ่นไหนที่มันดังที่มันมันไม่แน่นอนะ่ะมันเดินไปมือเหยียบกอกกอกแผ่นนั้นแหละมันไปขยับขย่าตรงนั้นแหละไอ้ขย่าไอ้ตรงที่มันดังๆน่นกอกกอกกอกอกอย่างนั้นแนหะโอ้กะเบื้องเท่าไหร่ก็ไม่เหลือพังเลยเพระนายหลวงพ่อจะได้เอาสังกสีแผ่นใหม่เนี่ยใส่เนี่ยแส่ใหม่ก็มันร้อนว่ะเนี่ย ก็เลยให้เขามาฉีดโฟมข้างล่างใช่ไหมเนี่ยมันเที่ยวข้ขาวฉีดโฟมปิดข้างล่างกันร้อนด้วยกันเสียงโดยเวลาฝนตกนะแต่นี่หลวงพ่อเลยท้าใจลิ้งเนื้อบรรนเนบะิงมา้าขึ้นไปเลยบัดเนี่ยถ้ามึงขึ้นไปมึงต้องเอาเนบคอนตีตะปูใส่หลังมึงด้วยเป็นงัดออกยรงออกได้ลําพังขึ้นไปเฉยๆมึงขึ้นไปไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้ว ลูกหลานใครมีลูกหลานเสียงดังเอาลงไปข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังบ่นี่ไม่ได้เลลูกหลานจะเสียงดังเอาค่อยับลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวใหญ่ๆหญ่กนค่อยขึ้นมาฟังเทศหลวงตาเดี๋ยวส่งเสียงดังเดี๋ยวคุยกันว่าน่ะพวกศรัทธาญาติโยมเดี๋ยอยากจะฟังหลวงพ่อพูดอะไรแต่ลูกหลานมารบกวนเสียสมาธิเสียสมาธิในการฟัง เสียสมาธิในการพูดอีกคนะในตัวใหญ่ๆจะก่อนจะค่อยเอาขึ้นมาฟังกับพวกเราเดี๋ยวนี้มันตัวเล็กอยู่ลงไปข้างล่างก่อนมันเป็นลิงอยู่ยังเป็นลิงอยู่ยังมันยังดื้ออยู่เอาลงข้างล่างก่อนจวเป็นผู้ใหญ่ก็ขึ้นมา ว, วันนี้เป็นวันที่สิบสี่เมษายนพุทธศักราชเออ บอกทางในครัวนะวันนี้เป็นวันบรณาภาพโยมแม่ของหลวงพ่อนะ่ะบรณาภาพอยู่ที่วัดนี่แหละแล้วก็ประชุมเพลิงอยู่ที่หน้าศาลาลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในวัดลําลึกถึงคุณยายนะอุทิศส่วนกุศลเึง่อคุณคุณยายแต่ว่าคิดว่าคุณยายคงจะไปสู่สวรรค์ชั้นพลมแล้วคุณยายนะึ่นทาบุญทําทานมากจริงๆรินะโยมแม่ของหลวงพ่อนะ ทำบุญปฏิบัติหลวงปู่ล่าตั้งแต่สร้างวัดก่อนหน้านั้นกับปฏิบัติขุนย่าของท่านพอมาหลวงปู่ล่าก็ปฏิบัติหลวงปู่ล่าตั้งแต่ปีสองพันห้าสองพันห้าร้อยแล้วก็เพิ่งมาจากไปเมื่อไม่ถึงสิบปีมั้งคุณแม่จากไปวันเดนวันที่สิบสี่เมษาแล้วก็วันที่สิบหกธันวา ยมพ่อจากไปยอมยมแม่อายุ9ก้าห้าปียมพ่ออายุ96้าสิบหกปีแต่ลงพ่อคงจะไม่เอาขนาดนั้นหรอกแก่เกินไปวะแต่ยมพ่อยมแม่ก็ยังช่วยตนเองได้นะเกลงห้องน้ําหอกของท่าได้ช่วยตนเองได้ทั้งยมพ่อทั้งยมแม่แต่ก็จากไปเมื่ออายุ9ก้า้าเก้าส คงจะทำบุญมาด้วยกันเพราะว่าโยมแม่วันหนึ่งลูกพ่อไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านโยมแม่บอกว่าครูบาโยมพ่อของเจ้าโยมพ่อของครูบาบอกว่าให้เจ้าไปก่อนเด้อเดี๋ยว่อยจะตามไปที่หลังเพราะว่าโยมพ่อบอกโยมแม่ให้ไปก่อนว่างั้นเเดี๋ยวท่านจะตามไปที่หลัง พอต่อมาลุงพ่อก็เลยบอกอ้ยไปด้วยกันนั่นแหละมาด้วยกันต้องไปด้วยกันเนีไม่ต้องไปก่อนไปหล้างหรอกไปพร้อมกันได้ลุงพ่อบอกก็ต่อมาอีกสองสามปีต่อมาโยมแม่ไปก่อนจริงๆเพราะลรงโยมแม่นะมแมนะ้บอกได้จริงๆว่า น, นะยโยมแม่ไปเดือนเมษาเนี่นะ่ะวันที่ 14, มมสิบสี่เมษาวันนี้นะวันสงกรานเสร็จไปวันหนึ่งเมื่อวานกนะ็วันที่สิบี่โยมแม่ลุงพ่อก็จ่า แล้วก็วันที่เดือนวันที่สิบหกธันวาเอ่อหนาวที่สุดแต่มาอยู่ที่นี่นะหลวงพ่อนำมาวันนั้นนะท่านก็อยู่ที่บ้านนะ่ะเห็นว่าออกจากโรงพยาบาลก็จะมาพักฟื้นที่วัดสะก่อนวันที่สิบหกธันวาพอมาถึงเลยมามารณภาพาที่นี่วันนั้นนะ่ะวันที่สิบหกธันวาห่างกันไม่กี่เดือนโยมพ่อก็โยมแมนะ่จากไป นี่แหละสรุปแล้วก็คือพวกเราที่พูดให้ฟังนั่นเอง่ะเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ความตายนี่เสมอภาค ก, กันที่สุดนะใ น, นวันนี้พวกลูกหลานทั้งหลายนะลำลึกถึงคุณยายด้วยยายมาจากพวกเราไปที่วัดใ น, นวันนี้เป็นวันที่สิบสี่ เมษายนพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน5เป็นวันพระด้วยวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อวานเป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ไทยเป็นวันที่พวกเรารวมญาติหรือว่าพบญาติทำบุญเอให ผู้มีอุปกรณ์คุณคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไดมารวมหรือมาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นในเครือญาติบางกลุ่มก็ได้ร่วมกันทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนคือปู่ย่าตายายที่ท่านให้ทรัพย์สมบัติกับเราพวกเรามาบางกลุ่มก็ได้ มาเพื่อดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อายุมากสรุปแล้วก็คือพวกเราไปนักสถานที่ใดอยู่นักสถานที่ใดหรือ ม, มากลับมาบ้านก็ขอให้พวกเราสำนึกไว้อยู่เสมอว่ามาทําประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่ว่ามาสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮา กินเหล้ามาตั้งแต่ดื่มสุรามาตั้งแต่สำนักงานจนมาถึงบ้านถึงบ้านก็อันนี้คือสงกรานต์ฮสงกรานต์เขาต้องดื่มเหล้าน่มันไม่ถูกนะลูกหลานควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่ความคิดใหม่ก็คือเรามาด้วยสติสัมปชัญญะเรากลับมาถึงบ้านเรามีเงินติดกระเป๋ามาไหมที่เราไปทำงานควรจะมาแบ่งให้พ่อแม่เท่าไหร่ผู้มีอุปกา ร, ระคุณเท่าไหร่ แล้วก็ควรจะช่วยเหลือเจือจานพวกญาติที่ตกจนทุกข์ยากที่ดูแลพ่อแม่แทนเราอย่างไันนี้ก็คือพวกเราต้องมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่ว่าพอเลิกงานจากกรุงเทพมาแล้วก็ตาปือมาบรรถึงบ้านออกจากมาถึงบ้านแล้วก็พูดกันก็ไม่รู้เรื่องอีกเพราะเมาเหล้าเมาสุราผลที่สุดก็กลับไปอีกแบบเมาไปถึงสำนักงานจะงอยสางเมา อันนั้นแปลว่าไม่ได้ทำคุณประโยชน์อะไรอยู่ด้วยความประมาทไม่เกิดประโยชน์สำหรับพ่อแม่ปู่ย่าตายายสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้ลูกหลานทุกคนสอนลูกสอนหลานสอนบอกกล่าวกันเป็นทอดๆพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะที่หลวงพ่อพูดเนะี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะเกิดประโยชน์อะไรไหมเราต้องคิดดูถ้ามันไม่เกิดประโยชน์พวเราจะไปทาทาไม คนเราดีๆทําไมจึงไปหาดื่มของเหมือนเมาเข้าไปพวกเราอยากจะเป็นบ้าไหมพอถามนะคุณอยากจะเป็นบ้าไหมก็โมโหให้เขาทันทีอแต่ว่าตัวเองคิดพิธีการเป็นบ้านกิดคิดอย่างนั้นะพอดื่มเข้าไปแล้วก็ขาดสติเพราะขาดสติแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ใช่บ้านก็เป็นบ้าโดยปริยายถ้าเมามากๆนะถ้าเมาตึงๆนี่ก็อีกระดับหนึ่งพอไม่อายไม่อายพูดอะไรก็มาพูดออกมาได้ อันนี้สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ที่มีครูครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองเนี่ยบอกกล่าวลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมหลวงพ่อเนี่ยเอาความจริงหรือว่าแนวเป็นไปได้มาพูดให้แก่พวกเราได้ฟังคิดดูซิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมเนี่ย หลวงพ่อกบมั่นใจว่าหลวงพ่อพูดมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องลูกหลานคณศรธาญาติโยมสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเพราะชีวิตของเราน้อยนักออไม่ใช่ว่าชีวิตยืนยาวอะไรจากนี้ไปเบื้องหน้าเราก็ไม่ไไม่มีใครทำนายไว้ว่าชีวิตของเราจะยืนไปสักเท่าไหร่เห็นแต่คนอื่นเขายืนตัวเองก็คิดว่าจะยืนตามเขาเออ 80, ปีแต่ที่แท้เนี่ยอาจจะ วันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนที่พวกเราจะต้องจากไปจากโลกที่ไปเพราะนั้นเราจะตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อวงศาคนาญาติพวกเราควรจะทำสิ่งนั้นคิดดีทำดีพูดดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราคิดดีพูดดีทาดีแล้วเราอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในกลุ่มญาติ ก็ร่มเย็นเป็นจุกทั่วหน้าถ้าอยู่กับวัดวาศาสนาก็วัดวาศาสนาแนละ้วก็มีแต่ประโยชน์ถ้าอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาตินั้นก็มีแต่คนดีคนหาคนเลวคนชั่วไม่มีประเทศชาตินั้นก็มีแต่ความเจริญผาสุขะัะนั้นสรุปแล้วก็คือโลกนี้ต้องการคนดีใช่ไหมถามเราสิ เราต้องการพ่อแม่ดีใช่ไหมพ่อแม่ก็ต้องการลูกดีใช่ไหมปู่ย่าตายายต้องการหลานดีใช่ไหมพวกหลานของเราทั้งหลายก็ต้องการปู่ย่าตายายเป็นผู้มีศีลมีธรรมเป็นปู่ย่าตายายที่ดีใช่ไหมเร า, าก็ถามไปอีกว่าประเทศ ช, ชาติเราต้องการคนดีในชาติใช่ไหมทุกคนก็ต้องพูดอย่างนั้นแต่ดีนันคืออะไรคาว่าดีนั่นคืออะไร เกลเหล้าอย่างนั้นใช่ไหมเป็นคนดีไปคโคดกงอย่างนั้นใช่ไหมเป็นคนดีไปพูดดา่าคนอื่นอย่างนั้นเป็นคนดีเป็นพูดดูถูกแยแยมกระแนกระแนคนอื่นอย่างนั้นเป็นใช่ไหมเป็นคนดีพวกเราก็ต้องถามตัวของเราอีกแล้วก็ถามผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ถามลงพ่อก็ได้อันไหนเป็นคนดีคนดีอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติสินคือกฎ เถ้าก่าตามให้จริงก็คือท้าบ้านเมืองเขาบอกกฎหมายแต่กฎหมายมันยาวเหลือเกินมันมากกฎหมายมันพูดย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปแต่เรื่องศีลห้าของพระพุทธเจ้านี่แหละรับรองว่าเป็นคนดีเป็นเป็นด่านแรกของพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งอยากคิดค่ากันถ้าเราคิดค่าเขาเขาคิดค่าเราเป็นยังไงมันเดือดร้อนวุ่นวายไปหมด ถ้าเขาเราไปขโมยของเขามาเขามาขโมยของเราก็เดือดร้อนอีกเอขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถ่ยันไงเราเป็นยังไงมีความสุขไหมเดือดร้อนเขามาทำมาเราก็เดือดร้อนสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักของเขาให้เคารพสิทธิ์เช่งกันละกันต่างคนต่างเคารพสิทธิ์กันดีไหมแล้วก็ไปที่ไหนอย่าโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาอย่าไปหลอกลวงเขาต้มตุนเขาโกหกเขา อย่าไปเบียดบางเขาจะใช้วาจาโกหกเขาดีไหมถ้าเขามาโกหกเราเป็นไงไม่ดีเราไปโกหกเขาจะดีไหมดีอย่างนั้นใช่ไหมมันคงไม่ดีอีกเหมือนกันะเพราะฉะนั้นโกหกเอาสองสิ่งที่ไม่ดีทุกวันนี้มันมีเยอะนะโกหกต้มตุนหลอกลวงเพอเพอเขียนเช็คให้เขาอีกต่างหากทั้งที่เช็คตัวเองไม่มีเงินในธนาคารเขียนกระดาษเปล่าให้เขา ผลที่สุดตัวเองก็หลบหนีอีกต่างหากเออันนี้เราโกหกยังจะเสียหายไหมฟ้องร้องก็ไม่รู้จะฟ้องร้องใครได้แต่กระดาษใบใบเดียวตัวเจ้าของกระดาษนั่นก็หายไปแล้วเข้ากิบเมกไปละเสียหายไหมเสียหายอย่างมากปนปี้ไปเลยบางคนก็เยอะแยะไปหมดนี่แหละเขาว่าโกหกโกหกโกหกคํำนี้ไม่ใช่ว่าพูดตอแหลเล่ น, เ ล, นเล่นกันโตหกไม่ใช่นะเขาว่าโกหกที่มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ จะทำให้ตระกูลล่มจมจีบหา ย, ยการเงินการทองนี่ละโกหคํานี่แหละไม่เป็นผลดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสัตยาธิโยทุกคนนะศีลธรรมของพระพุทธเจ้าในทัศนไม่ใช่สอนอื่นไกลนะสอนพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินเนี่ยนี่แหละคือทำคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ทำคำสอนของหลวงพ่ออินนะหลวงพ่ออินกันนะเอามาเรียงลาดับเอามาเรียงลำดับให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังให้เข้าใจง่ายคำไหนภาษาไหนที่จะเข้าใจง่ายในจุดทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นนะเอาคำนั้นมาพูดให้พวกเราฟังอันนี้คือศีลข้อที่สี่ข้อที่หสุราเมรยมัชฌะประมาณ วันสงกรานต์วันปีใหม่อย่างนี้แหละคนไทยของเราเนี่ยห้ามแล้วบอกอีกประกาศแล้วประกาศอีกตั้งด่านแล้วตั้งการตั้งด่านอีกทำไมพวกเรามาพิจารณานะ่ทำไมดื้อด้านนะักฮะถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะทำไมดื้อด้านนะักใหญ่แล้วใหญ่ด้วยกันแล้วสิ่งควรไม่ควรไม่รู้เหรอบางทีเกิดเรียนปริญญาตีโทเอกก็มีทำไมไปหาตื่มสุราเข้าไปแล้วไปขับรถพอขับรถแล้ว ประคองตนเองไม่อยู่ไปเหยียบคนอื่นไปชนคนอื่นเสียหายไปหมดทำไมไม่คิดเรื่องส่วนตัวทำให้ไปเดือดร้อนคนอื่น <c oughs> สิ่งเหล่านี้เราได้รับการศึกษาเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ที่มีครูที่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนเรามีพ่อแม่เป็นสัมมาทิฐิเราควรจะสํานึกได้เราควรจะคิดได้อันไหนควรไม่ควรอย่างไร ถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันขาดจิตในชุมชนแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นเสียหายมันถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้องเพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราการจะทำสิ่งไหนก็ตามควรจะมีเปลกกับตนเองอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้อง เ, อเมื่อทำไปแล้วทาให้คนอื่นเดือดร้อนถึงจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็เถอะเหมือนกับเียงค้อนไปเนละ่ยเราไม่รู้ว่าคนอยู่ที่นั่น เรเหวียนคอเนเล่นๆไม่มีเจตนาอะไรแต่ค้อนตัวก้อนหินคนนั้นไปเจอกับหัวคนเขาละ่ะเขาเจ็บไหมเออหัวแตกไหมแตกครับหัวคุณแตกเฮ้อบางทีก็ปางตายทำไมผมไม่มีเจตนาสักหน่อยนะครับมันทําไมมันมันโดนหัวคุณทาไมมันเจ็บฮะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามทว่าวสิ่งนั้นที่มันเป็นโทษแล้วมันก็เป็นโทษอย่างเก่านี้ก็เหมือนกัน เราดื่มสุราเข้าไปแล้วไม่มีเจตนาที่จะไปขับรถชนคนอื่นเขาแต่รถของเราเป็นไงมันประคองไม่อยู่ไม่ไปเหยียบไปชนคนอื่นเขาเขาก็เสียหายได้เพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าดื่มสุราเข้าไปแล้วมันเมาเขาก็ห้ามกันทั้งสื่อต่างๆทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์แต่ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งสื่อต่างๆทั่วประเทศประครมอยู่เงือปีใหม่สงกรานอย่าดื่มสุรานะ อมันอันตรายมันเป็นพิษเป็นภัยต่อชุมชนสังคมของพวกเราเนะี่ยนี่แหละพวกเราเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็น่าจะเบรกตัวเองได้ไม่น่าจะไม่น่าจะทนะําเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทำความชั่วดีทุกอย่างทเลยเพราะมันขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าเลยถ้าคนขาดสติเหมือนคนเป็นบ้าในกลางถน น, นถ้าเราเอามีดเอาปืนให้เขาละ่ะเขาจะยับยั้งตัวเองได้ไหมยับยั้งไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไร เออบางทีเขาก็ยิงไปเรื่อยลักษณะนั้นหรือเอามีดฟันไปเรื่อยอย่างนั้นคนอย่างนั้นไม่ควรจะให้มีอาวุธในมือเพราะคนขาดสตินี้ก็เหมือนกันถ้าคนขาดสติทําความชั่วในทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกเังฆ่าสามีภรรยาลูกหลานได้ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราขาดสติขโมยใครก็ได้ลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้กล่าวผู้สาโกหกต้มตุน๋นหลอกลวงใครก็ได้เพราะมันขาดสติ เพรา ะ, ะนั้นสิ่งเหล่านี้ศีลห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนสังคมนี่แหละคือคนดีถ้าประกาศแล้วกันเลยอันนี้แหละคือคนดีคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่แหละคือคนดีเอี่ยถพวกเราถามว่าคนดีนั่นคืออะไรนี่แหละถ้ามีศีลห้าคือคนนี้ถ้าหาวารักษาไม่ได้ทุกข้อละ่ะได้ข้อหนึ่งได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีข้อได้ข้อห้าเนี่ยไม่ดื่มสุรา เพราะเราเห็นโทษอย่างชัดเจนแล้วว่าดื่มสุราเข้าไปมีโทษอย่างนี้เรางดตลอดชีวิตเลยอย่างหลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าโอ้ถ้าไม่ดื่มสุราไม่มีหมู่หลวงพ่อไม่มีหมู่มีเพื่อนเพราะท่านดื่มสุราเข้าไปหมู่เพื่อนมากเออยอย่าไปคิดอย่างนั้นเอันนั้นคือคือไปตามกิเลสกิเลสมันพาไปแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ย ไม่ดื่มสุราตั้งแต่วันเกิดพูดอย่างนั้นได้เพราะบวชมาอายุสิบเอ็ดปีเป็นสัมมาณีแต่ก่อนหน้านั้นก็บ้านนอกคําว่าสุราเนี่ยพ่อแม่ก็ห้ามอีกพ่อแม่พ่อก็มีศีลห้าแม่ก็มีศีลมีศีล ม, มีธรรมอยู่แล้วนะเออท่านไม่ให้ดื่มสุราอยู่ยแล้วถ้าใครดื่มนะเนี่ยตามขนาดพี่ชายใหญ่เอจะไปดื่มสุราพ่อยังขู่ แต่นหลวงพ่อเองก็ไม่เคยคําว่ารถสุราไม่เคยมีไม่เคยรู้จักเลยเนะีตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนถึงป่านนี่แหละแต่นี้หลวงพ่อเองมีหมูมีเพื่อนมากไหมมันนับใส่กันที่คนที่ดื่มสุราบมากๆกับหลวงพ่อเนี่ยใครมีหมูเพื่อนมากกว่ากันฮะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อแข็งได้ก็แล้วกันนะหลวงพ่อไปดื่มสุราหมู่ที่ไม่ดื่มสุราของหลวงพ่อเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจได้พึ่งพาอาศัยกันได้ หลวงพ่อมีอะไรก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมชุมชนสังคมคนช่วยเหลือหลวงพ่อได้เนี่แหละข้อสําคัญให้เราเป็นคนดีใช่อย่างเดียวเท่านั้นนะภาเป็นคนดีแนละ้วเป็นที่พึ่งของหมู่ของเพื่อนได้ของพี่น้องได้วงสาคณนาญาติได้ล้วนแล้วจะหมู่ใครๆก็จะมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนของเราได้ทั้งนั้นแหละถ้าหาว่าดูซิท่าดื่มสุรามากมากเป๋ซ้ายเป๋วขวาใครจะไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนเราได้ สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนดื่มสุราจะมีหมู่มีเพื่อนไม่ใช่นะหมู่เพื่อนที่ดื่มสุรานะไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้แต่อยู่ในวงสุรานะ่ยใช่ครับทั้งหมดเต้องช่วยผมอย่างนี้เลยนะครับครับครับออพอเสร็จออกจากวงสุราแล้วผมไม่รู้ครับผมได้รับอะไรฮนะพราะอะไรเพราะม่อยู่ในความเมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราจต่าญาติโยมทุกหมู่ทุกเรา ให้มีสติสัมปชัญญะคนมีสติสัมปชัญญะดีแล้วไปนักสถานที่ใดมีแต่ความผาสุกมีแต่ความให้ความเจริญกับชุมชน อ, อย่างน้อยก็ตัวเองนั่นแตัวเองเป็นผู้มีความสุขมั่นใจเชื่อมั่นในตนเองมั่นใจในตนเองพอหนึ่งดีแล้วหนึ่งของเราดีแล้วต่างคนกับต่างดีต่างคนกับ น, นับหนึ่ง หกาจากข้าไปเจ้าคนนั้นก็นับหนึ่งพวกเราอยู่ด้วยกันอยู่ที่ศาลาหลังนี้สองสามร้อคนนับหนึ่งทุกคนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบกสองเป็นสีไล่ๆไปเรื่อยมันก็ถึงถึงร้อยสองร้อยเองเป็นคนดีทั้งหมดแต่ถ้าว่าเลวข้าไปเจ้าของโอ้ยไม่เอาละคนนี้โอ้ยไม่เอาละอต่างคนต่างไม่เอาสินไม่มีศินไม่ทำหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเลวเลวหนึ่งเลวสองเลวสามเลวสี่ไปเรื่อย เรวตั้งหลายร้อยคนอีกเหมือนกันถ้าเร็วมากๆเนี่ยเป็นยังไงเออประเทศชาติมันไม่ไม่เป็นผลดีนะถ้าเร็วมากท่านผลถ้าดีมากนะนะั่นแหะจะเป็นผลดีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับคณะจตหายา ย, ยมลูกหลานทุกคนนะแต่พร้อมกันก็อย่าลืมนะก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์เออวันนี้วันที่14เป็นวันปีใหม่นานๆพวกเราจะได้มาพบมาเจอกันมาสู่วัดว า, าศาสนาหลวงพ่อไปกล่าวเตือน หลวงพ่อเนี่กล่าวพูดในนามสัมมณะสัมมณะพรามคสัมมณะพรามคือคือเออเป็นผู้แนะนําพี่น้องประชาชนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นรกสวรรค์มีจริงน่าหลูกหลานนะ่าศรัทธาญาติโยมหนะ้าหลวงพ่อจะแนะนําให้พวกเราเข้าใจตามหลักธรรมคาสอนของพระพุธทธเจ้านี่แหละหลวงพ่อว่าให้พวกเราก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์ ลำเลิกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเนิ่ลูกหลานนะอย่าไป น, นอนลุงปู่มั่นท่านบอกว่าอย่าไป น, นอนแบบปัวแบบแบบควายเนอะให้นอนแบบพุทธพุทธศาสนิกชนก่อนที่จะนอนกราบไปที่หัวนอนที่หมอนของเราก่อนพุทโธธโมสังโฆพุทโธธโมสังโฆเพียงแค่นี้ก็เป็นพุทธศาสนิกชนในระดับหนึ่งก็ยังดีคือมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจจากนั้นก็หลับนอน จะมีความล่มเย็นผาสุขเพราะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในจิตใจวันหนึ่งได้เพียงสาครั้งเท่านั้นนับพอดียังเป็นพุทธศาสนิกชนอยู่จากนั้นก็กรรับกอนอนก็ไหว้พระธรรมากกว่านั้นนะไหว้พระสก่อนอัลลางสวาคโตสุปฏิปโนนโมตัสสะคือสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่ง จากนั้นก็อนถ้าเป็นไรมากกว่านั้นก็นั่งสมาธิก่อนนะนั่งสมาธิสักห้านาทีที่สิบนาทีถ้าเรามีเวลานะไปเป็นการฝึกเอาไว้เป็นการฝึกจิตฝึกใจเอาไว้นั่งสมาธิเนะี่นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างที่เรามองเห็นพระประธานเดนะี๋ยวนี้น่ะขัดสมาธิแล้วก็ปนมมือสัก่อนนะประนมมือขึอนนะ้นมมในระหว่าง อ, อกไหว้ครูอีกครั้งหนึ่ง พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามจบนะจากนั้นเอามือลงเอามือลงนะครับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธไม่ต้องคิดไปในอดีตเมื่อวานมันก่อนไม่ต้องคิดถึงอนาคตวันพุ่งนี้ก็ยังไม่ไม่ต้องคิดถึงก็ยังไม่ถึงเอาปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอ่าได้สักยี่สสามสิบนาทีได้หนึ่งชั่วโมงก็ยิ่งดีอ่าเพื่อจะได้ให้จิตใจของเรารวมสงบ จิต ใ, ใจของเรามีสติอยู่กับตัวเองนี่แหละวิธีการภาวนามันจะเป็นผลเป็นผลสืบเนื่องไปนานเท่านานนะที่นี้ลูกหลานคณะรัตาญาติโยมนั่งภาวนานะเนี่เมื่อเท่าแกชรลามาเมื่อเราอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังเราก็ภาวนาพุทโธของเราใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะเหตุไรเรามีพุทโธอยู่ในใจ แต่ถ้าว่าเราไม่เคยภาวนาพุโทโธไม่เคยภาวนาเลยเนี่ยใจของเราปุงฟงเมือ่ออายุมากขึ้นมาเท่าไหร่ใจเราของเราก็เย่งมาอยู่กับเนื้อกับตัวคิดถึงลูกคิดถึงล้านคิดถึงญาติพี่น้องหาว่าเขาไม่มาดูมาแลา้ว เ, เขาก็มีธุระการงานเขาทำการทำงานเมื่อสมัยเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มเราเป็นน้อยเป็นหนุ่มไม่ใช่ว่าเราจะมาเฝ้าพ่อเฝ้าแม่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เราก็หาอยู่หากิน แต่เมื่อเราเท่าแกชราเราจะให้เขามาอยู่เฝ้าเราได้ยังไง ต, ตัวเองก็ไม่เคยมาเฝ้าพ่อเฝ้าแม่นียเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นที่พึ่งของตนอัตหิอั ต, ต, อ ต, ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชยาคนอื่นใครเลยจะมาเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเนยเพราะนั้นขอให้พวกเราพึ่งตนเองนะถึงคราวนั้นนะอะข่าทําดีข่าจะไปไปเลวได้ยังไง ตกนรกหมกไม่ได้ยังไงข้าต้องไปสู่สวรรค์เพราะข้าทำดีเมื่อค่าข้าทำชั่วแล้วเราทำชั่วแล้วเราจะไปสวรรค์ได้ยังไงข้าต้องตกนรกเพราะอะไรเพราะข้าทำชั่วเพราะนั้นชั่วกับดีอยู่กับเราในสิ่งที่มันชั่วเราอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันชั่วเราคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีจิตใจของเราจะมีแต่ความผาสุกนี่ละนั่งภาวนาพุทโธพุทโธ จากนั้นพอออกจากสมาธิทุกครั้งเราประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูอีกครั้งหนึ่งพุทโธตะโมสังโฆจากนั้นก็แผ่เมตตาเออบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญจะด้วยวิธีการใดก็ตามให้ทานรักษาศีลภาวนาตลอดชีวิตของข้าพเจ้าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำนี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลนุนข้าพเจ้าให้มีความสุขความเจริญอย่าได้มีอุปสรรคนานปการในชีวิตของข้าพเจ้าและขอขอบุญกุศลนี้ เป็นเครื่องเครือคุณหนุนพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีอุปการะคุณสำหรับข้าพรเจ้าให้มีความสุขท่วนหน้ากันด้วยเทินเราต้องแผ่เมตตาอย่างนั้นในจิตในใจมีแต่ความเจริญมีแต่ความผาสุขถ้ามีคนมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตในใจอย่างนั้นเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนแล้วก็ให้พวกเราปฏิบัติตามพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อย้ําแล้วเตือนเดียวตายแล้วไม่สูญนะลูกหลานคณรศรัทธาญาติโยมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เตือนอย่างนั้นเตือนเนี่ยพระพุทธเจ้าไปค้นคว้า ศ, ศึกษาอยู่ที่โคลนต้นโพลหกปีเนะี่ยวันเดือน6กเพนวันสุดท้ายท่านได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านบอกว่าปุเพเนวาสานุสติยานลระลึกชาติผลหลังได้ถ้าตายแล้วสูญจะระลึกชาติไ ด, ด้อย่างไงเราเกิดมาวันนี้วั น, น, ว น, นเดียวไม่มีเมื่อวาน เ, นเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไงอันนี้พระพุทธเจ้าวันปุเพเนวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้คือระลึกถึงเมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนแล้วก็จุตูปปาตยา น, นยการจุติของสรรพสัตว์มองคนอื่น throughout. ที่แรกมองมองพระองค์เองก่อน ผูเพนิวาสานุสติญานคือมองพระองค์เองจุตูปปาตยานนี่คือมองคนอื่นมาเนี่อมองคนอื่นญานเนาณนธัตนะของคนทั่วเจ้ามองคนอื่นคนนี่มาจากนี่มาจากไหนทําไมคนนี้จึงหูหนวกทํำไมตาบอดทําไมจึงพิกงพิการทําไมคนนี้รวยทําไมคนนี้จนทําไมคนนี้พิการแต่ทําไมรวยอทําไมคนนี้เอรูปร่างหน้าตาดีแต่ทําไมจน พระพุทธเจ้ามองดูมองดูกรรมกรรมคือการกระทําในอดีตเออคนที่ตายเร็วนเพราะชาติที่แล้วเขาชอบฆ่าสัตว์นะออคนที่รวยเออคนนี้อดีตที่ชาติเน่ยเขาชอบทําบุญทําทานไปที่ไหนใจกว้างขวางอันนี้สงทานของเขาเกื้อนคุ้นนุนแล้วทำไมสุคนนี้จึงรวยมากเอออันนี้สงชาติคนก่อ น, อนเขาได้ทําบุญกับพระปฏิเยตพระพุทธเจ้พาพระพุทธเจ้าพระหรันทสาวกได้ทาบุญกับพระหรัน์ เกิดมาพบในชาตินี้บุญกุศลเขากําลังเบ่งบานกําลังให้ผลไงแต่บางคนกันนันเออใช่แต่เกิดมาพบในชาตินี้เขาลืมตัวแต่อ น, นิญสงของเขารวยจริงอยู่แต่ว่าชาติต่อไปหมดแล้วนะบุญกุศลเขาหมดละหมดเพียงชาตินี้เพราะเขาไม่ทําต่ออย่างนี้ก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราศึกษาอยากจะรู้วิธีการให้นั่งภาวนา พ่อแม่กูบาอาจารย์นะวให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบจะรู้ได้ด้วยตนเองนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดมากหลากหลายให้แก่คณะสัตยาธิษฐโยมเพื่อเป็นการศึกษาเมื่อที่จินได้ฟังแล้วก็นําไปกันครองไตรตรองเนะื้อคณะสัตยาธิษฐโยมลูกหลานเนะ้อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรแล้วก็พร้อมการอุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราเนะื้อ